เป็นอีกตอนหนึ่งของนายสิงโตผู้เท่าที่มีที่พำนักอยู่ที่บางบัวทองได้ไปประสบเหตุการณ์เข้าอย่างที่ไม่หนักหนานักแต่ก็วุ่นวายเอาการในสิงโตเองก็รับว่าตัวเองเคยทําสิ่งใดไว้สิ่งนั้นจะต้องย้อนกลับมายุ่งยุ่งวุ่นวายแก่ตัวเองได้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง โรงเรียนปิดเทอมลูกสาวผมหยุดการสอนจึงชวนผมไปเที่ยวทะเลผมก็จัดเสื้อผ้าลงกระเป๋ากับลูกซึ่งธรรมดาหญิงสาวย่อมไม่ชอบเที่ยวกับคนแก่แต่ว่าลูกสาวผมติดผมเพราะว่าผมพาลูกสาวเที่ยวตั้งแต่ยังเด็กๆตามหน้าที่ของพ่อจะต้องพาลูกให้รู้จักอะไรต่ออะไรให้เกิดหูตาสว่างก็เลยติดเป็นนิสัย ลูกสาวของผมนั้นโตเป็นสาวแล้วแต่ก็อยากชวนผมไปด้วยเพื่อคอยถามสิ่งที่เขาไม่รู้เพราะว่าเกิดไม่ทันดูเขาช่างสนุกแล้วก็อบอุ่นใจนักเทอมนี้ลูกสาวผมนัดเพื่อนครูคนหนึ่งซึ่งมีสามีเป็นทหารเรือตัวของแม่ถนอมจิตเป็นครูอยู่ในบางกอกสามีประจําอยู่ที่สัตหีบจึงแยกกันอยู่จะพบกันชั่วเสาร์อาทิตย์ปิดเทอมจึงมีโอกาสไปอยู่กับสามีให้นานๆส่วนลูกสาวผมยังโสดไม่มีอะไรยุ่งเหยิง เมื่อเพื่อนชวนก็เห็นดีด้วยมีตัวของผมลูกสาวของผมถนอมจิตเราสามคนไปรถเมย์กันถนอมจิตนัดกับเรือโทวีระซึ่งเป็นสามีให้เอารถจิบมาคอยที่บางละมุงเพื่อจะใช้รถวิ่งกวาดไปตั้งแต่หาดพัทยาจุดหมายปลายทางนอนกินลมที่สัตหีบนั่นเองเราสามคนบังเอิญได้ที่นั่งตอนหน้ารถก็คุยกันสนุกลูกสาวถามผมว่าเคยผ่านบางละมุงกี่หนแล้ว ผมบอกว่าผ่านบ่อยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมีพักพวกทํางานอยู่ที่อำเภอ น, นแล้วก็เช่าบ้านที่อยู่สุดถนนของตลาดนั้นจริงๆจริงๆแล้วเป็นบ้านหลังสุดต่อไปก็เป็นหาดโลง่งๆแล้วก็ป่าละเมาะบ้างบ้านที่เช่านั้นเป็นบ้านญาติของแม่ยายให้ฝ่ายเคยเช่าข้าวของบางอย่างก็ยังคงอยู่ให้ใช้ได้บ้างลักษณะบ้านจะดูเตรียมเป็นร้านค้าบ้านชั้นเดียวแต่ว่าใหญ่ หน้าบ้านทำทีเป็นร้านค้ามีห้องโถงตรงกลางห้องนอนห้องเก็บของหลายห้องหลังบ้านมีป่าละเมาะบ้างมีเวิ้งวังน้ำขังบ้างเพราะว่ามีทางน้ำทะเลเข้าไปได้เวลาน้ำขึ้นจึงขังอยู่เป็นแอ่งแองดูน่าเย็นใจสบายดีข้างๆบ้านปลูกทับทิมไว้หลายต้นตามนิสัยชาวทะเล ผมเล่าเรื่องนี้ให้ลูกสาวผมฟังถึงเรื่องสมัยผมเที่ยวนั้นมีเพื่อนที่ชอบใจกันอีกคนมาพาักบ้านของบุญเทียมนี้เวลาเขาไม่กลับจากอำเภอผมกับเพื่อนที่ว่านี้จะออกตลาดจ่ายอาหารมาทํากันเมียกับแม่ยายบุญเทียมไม่ต้องให้เขายุ่งกับครัวละเราทํากันเสร็จแม่ยายนั้นจะช่วยก็เมื่ออะไรขาดเหลือให้แกไปตลาดเรื่องอาหารน่ะไม่ต้องพูดละอยู่ทะเลย่อมเหลือเฟือแต่ว่าเรามักจะทําอาหารสองพวก พวกหนึ่งเป็นอาหารกินกับเหล้าและอีกพวกหนึ่งเป็นอาหารกินกับข้าวอาหารกินกับเหล้าของเราแต่ละอย่างน่าเด็ดเด็ดทั้งนั้นเช่นปลากระเบนสดผัดขิงปลาฉลามผัดเผ็ดปลากุลาล่าอย่างงี้ส่วนอาหารกินกับข้าวมักจะเป็นอาหารพื้นพื้นอย่างไทยๆพอพ่อบุญเทียมกลับจากอำเภอก็ลงมือกันอย่างสบายอร่อยคอไปทุกมือ้อเราจะตั้งวงกันที่นอกชาญระหว่างตัวบ้านกับครัวแล้วก็ห้องน้ํา อากาศโปร่งแจม่มใสขาดผักเช่นใบโหระพาใบกระเพราผักชียวนก็วิ่งลงพื้นดินเพื่อที่จะไปเก็บต้มยำปลากระพงซดกันถึงจามด้วยความเผ็ดร้อนบางคืนเมามากไม่ยอมเข้านอนในเรือนใหญ่ขอนอนกันสบายที่ตรงเฉลียงติดกับนอกชาญอ้างว่าเข้าห้องน้ำง่าย ผู้หญิงเนี่ยชอบอยู่ในเรือนใหญ่ที่ชายเฉลียงมีห้องเล็กๆอยู่ห้องนึงทางด้านขวามือในห้องนั้นโล่งๆมีหิ่งอยู่บนฝาด้านหนึ่งมีโกรดใส่กระดูกญาติของแม่ยายอยู่หลายโกรดรวมๆกันมีอยู่คืนหนึ่งบุญเทียมกระซิบกับผมบอกว่าเคยได้ยินโบราณพูดว่าถ้าเราเอากระดูกในโกรดนั้นมาปนกับโกรดนี้สับสนตอนดึกๆจะได้ยินเสียงปีศาจเจ้าของกระดูกทะเลาะกันสนุกเลย ผมกับเจ้าอุดมฟังบุญเทียมพูดก็เห็นเข้าทีด้วยความเมาเงี่ยหูฟังเมียกับแม่ยายบุญเทียมว่าหลับแล้วหรือยังต่างก็ลุกขึ้นจัดแจงแยกย้ายกระดูกกันสับสนวุ่นวายไปทุกโกฎแล้วต่างนอนคอยฟังว่าปีศาจจะทะเลาะกันตอนไหนแล้วทะเลาะกันไหมคะพ่อลูกสาวถามผมเพราะว่าอยากทราบถานอมจิตก็จ้องตาขมิงด้วยอยากรู้คําตอบเปล่าไม่เห็นมีอะไรตลอดทั้งคืนเลยผมตอบ มันก็เป็นเรื่องที่พูดกันอย่างสนุกๆเท่านั้นจะไปจริงจังอะไรมากมายล่ะอ่าแล้วคุณพ่อกระดูกกลับคืนโกรธเดิมหรือเปล่าล่ะคะโถเอ้ยไวเลยลูกใครมันจะไปรู้เหรอว่าชิ้นไหนเป็นกระดูกโกรธไหนเราสับเปลี่ยนกันตอนมืดเช้าขึ้นก็ดูเหมือนกันไปหมดก็เลยปล่อยไปตามเดิมผมตอบลูกสาวแล้วก็หัวเรออาะเอียงสนุกแต่สังเกตในตาของลูกจะไม่สนุกด้วยเพราะว่าสีจรุงเป็นคนขวัญอ่อนคงจะเห็นว่าผมไม่ควรจะเล่นสิ่งนั้น ก็จริงอยู่หรอกมันเป็นกระดูกคนที่เผาแห้งไปแล้วถ้าทิ้งดินก็จมดินไปเป็นของธรรมดาเกิดมาร่างกายถมดินหากว่ากระดูกนั้นเป็นที่เคารพกระดาบไหวของใครเขาอยู่ก็ไม่เหมาะจะทำไม่น่าเล่นกันเลยทีเดียวหากเป็นกระดูกพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราใครมาทำแบบนั้นจะว่ากระไรเล่าแต่ว่าวันหลังมันก็มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นมานะผมว่าแปลกยังไงอะคะพ่อลูกสาวถาม เออมันก็แปลกแบบนี้นะลูกกระดูกนั้นเนี่ยได้ไปเข้าฝันญาติแม่ยายบุญเทียมฟ้องว่ามีผู้มาพักที่บ้านเล่นกระดูกเขาสับสนหมดบ้านญาติก็เรียกแม่ยายบุญเทียมไปต่อว่าพ่อรู้เข้าเลยชักอายเข้าหน้าเขาไม่ค่อยถนัดแม่ยายคุณบุญเทียมเขาว่ายังไงบ้างะคะเขาก็ไม่กล้าพูดอะไรหรอกแต่ว่าสังเกตดูว่าเขาไม่พอใจถ้าคิดเผินๆนะมันก็ไม่มีอะไรแต่คิดลึกเข้าเนี่ยก็เห็นใจเขา ของที่เขาเคารพ บ, บูชาอยู่เราไปทําอย่างไม่เกรงใจเขาอีกอย่างนึ่งเนี่ยพ่อเองก็าอายุเยอะกว่าพวกนั้นเล็กน้อยลูกสาวฟังผมแล้วก็ยิ้มแห้งๆเจริญมาคราวนี้จะพบพวกเขาไหมคะพ่ออ๋อไม่พบแน่บุญเทียมย้ายไปอยู่ภาคใต้แล้วบ้านนั้นเนี่ยคืนญาติเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราคุยกันมาจนรถเมเบารับคนที่ปากทางเข้าแหลมฉบังมีคนขึ้นสองสามคน ชายกลางคนผู้หนึ่งขึ้นมานั่งข้างผมแต่งกายสะอาดดูภูมิฐานเขาถามผมอย่างกันเองว่าจะไปลงที่ไหนผมก็เลยตอบว่าลงที่บางละมุงเขาร้องอ้อแล้วก็พยักหน้าแล้วก็พูดคุยกันเรื่องอะไรกันมาจนรถเลี้ยวเข้าบางละมุงชายคนนั้นหยุดคุยหันหน้ามองซ้ายมองขวาอย่างจะดูว่าอะไรไม่เรียบร้อยแต่ในครู่นั้นเองเขาก็บอกให้รถหยุดที่หน้าสถานีตำรวจพอรถหยุดเขาก็หันหน้ามาหาผม เชิญคุณลงที่สถานีก่อนผมเป็นตำรวจผมสะดุ้งใจนึกสงสัยว่าชายผู้นี้จะมาไม้ไหนกับผมทำไมกันไม่ทราบคุณพกปืนเขาตอบแล้วก็ชี้กระเป๋ากางเกงผมผมก้มมองก็เห็นว่าที่ขากางเกงข้าง ข, างขวามีรอยยับขึ้นเป็นรูปปืนเห็นชัดปืนผมมีทะเบียนผมรีบบอกถูกละแต่ไม่มีใบอนุญาตพกปืนเขาว่าเอาลงมาเถอะเอากระเป๋าเสื้อผ้าลงมาด้วยรถเขารอ ผมและลูกสาวแล้วก็เพื่อนรีบลุกขึ้นยืนหยิบกระเป๋าเดินทางบนตะแกรงที่เพดานหลังคาลงจากรถแล้วก็เดินตามเขาเข้าไปในสถานีตำรวจอย่างใจคอไม่ดีถ้าคุณมีใบอนุญาตพกปืนก็เลิกกันไปเขาว่าผมไม่มีใบอนุญาตพกแต่เอามาด้วยก็เพราะว่าถ้าทิ้งไว้ที่บ้านเนี่ยเกิดจะหายผมอธิบายทำไมไม่ใส่กระเป๋าเดินทางล่ะเขาถามผมกลัวหายถ้าใครแอบขโมยกระเป๋าเสื้อผ้าผมว่า ควรหากระเป๋าเล็กอีกใบใส่ปืนนะคุณเขาพูดเสียงดุไหนหยิบปืนออกมาดูซิเขาสั่งผมล้วงปืนขึ้นมาพร้อมกับใบทะเบียนส่งให้เขาเขารับไปดูนิดหน่อยแล้วก็หันไปพูดกับลูกสาวผมและถนอมจิตว่าคุณรู้จักใครที่นี่ไปตามเขามารับรองกับผมแล้วก็เลิกกันไปเขาพูดอย่างเด็ดขาดแต่ถ้าวันนี้พวกคุณไปหาคนมารับรองด้วยไม่ได้เนี่ยคุณมารับปืนวันหลังก็แล้วกันแล้วก็คุณต้องมาจ่ายค่าปรับด้วยนะ เขาว่าลูกสาวผมรีบชวนเพื่อนลงไปจากสถานีปล่อยผมนั่งคอยอยู่ขอความกรุณาเถอะนะคะลูกสาวผมพูดแล้วก็จากไปสองคนนั่นเป็นใครเขาถามผมลูกสาวผมครับเขาเป็นครูโรงเรียนผมตอบอืถ้าจะมาตากอากาศสินะครับผมนั่งรออยู่ค่อนข้างนานสองคนจึงได้กลับมาและมีชายหนุ่มคนหนึ่งตามมา ตำรวจมองดูชายหนุ่มที่มาด้วยอย่างสีหน้าเฉยๆผมนายเรือโทวีระเกียดนำชายหนุ่มบอกชื่อตัวเองพร้อมกับหยิบบัตรประจำตัวส่งให้ผมต้องการคนถิ่นนี้ที่ผมรู้จักเขาพูดเสียงเด็ดขาดอย่างเข้มแข็งแต่เอาเถอะผมรู้เจตนาของคุณผมจะคืนปืนให้แล้วก็ไม่เอาโทษอะไรแต่ขอตักเตือนนะว่าอย่าทำแบบนี้อีกมันจะลาบากควรหาการะเป๋าเล็กๆใส่ถึงจะรู้ว่ามีปืนก็ยังถูกข้อบังคับ แต่เนี่ยใส่กระเป๋ากางเกงมันผิดข้อบังคับยิ่งเห็นชัดเป็นรูปปืนนั่นน่ยมันผิดหลายข้อวาดเสียวและอะไรอีกหลายข้อพูดจบแล้วเขาก็ส่งปืนคืนให้พร้อมกับทะเบียนปืนผมรีบยกมือไหว้เขาอย่างโล่งอกผมพันตํารวจตรีวินัยชูศักดิ์เขาบอกชื่อผมไหว้เขาอีกครั้งแล้วก็รีบเอาปืนเก็บในกระเป๋าเสื้อผ้าทางตํารวจรู้ครับว่าทุกคนต้องใช้ปืนไม่อยากจะกวดขันนักหรอกแต่ว่าผิดวิสัยนะักก็ขอเตือนบ้าง เขาพูดเป็นอย่างดีเราทั้งสีคนไหว้ลาเขาแล้วก็ลงจากที่ทําการเอ๊ะสีเจรุงถ้าเจ้าของกระดูกที่นี่จะเล่นงานพ่อซะแล้วนั่นลูกผมคลางออกมาแล้วเราก็ขึ้นรถที่จอดคอยอยู่ผมชักได้คิดว่าเจ้าของกระดูกคงจะเย้าผมเล่นในเมื่อมาเหยียบแดนเขาตอบแทนที่ไปเล่นกระดูกเขาความจริงคนตายทุกคนก็สงบแล้วแต่เราไปปลุกเขาให้ตื่นขึ้น นึกในใจว่าถ้าจะรีบไปเซให้พ้นแดนนี้จะดีไม่น้อยประเดี๋ยวเกิดเย้าหยอกอีกจะลาบากเมื่อกี้ผมก็พกปืนมานะเรือโทวีระพูดพอผมรู้เรื่องเนี่ยผมก็เลยเปลี่ยนเป็นเอาไปใส่ในกระเป๋าของถนอมจิตเลยพูดถึงเรื่องปืนเนี่ยมันยากครับแต่ว่ามันก็จำเป็นนะนะเขามีทางผ่อนปลนให้อยู่เยอะแยะนอกจากจะลอ่อแหลมจริงๆก็จำเป็น รถเรามาถึงพัทยาจอดที่หน้าร้านอาหารริมหาดผมแอบหยิบปืนในกร ะ, ะเป๋าเดินทางส่งให้ลูกสาวเอาฝากไว้ในกร ะ, ะเป๋าถือของเขาเพราะว่าในรถของเรามีของมากถ้าหากใครมาหยิบมาล้วงปืนอยู่ที่เราก็พอจะร้องสั่งคนร้ายให้วางของไว้แล้วจงแยกทางไปแต่ถ้าปืนไม่อยู่ที่เราและปืนประยุกคนร้ายซะแล้วเราก็หมดคาสั่งเรื่องจะไปกันใหญ่แมเมื่อกี้ไม่ค่อยหิวเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มหิวพิลึก ลูกสาวผมพูดแล้วก็พากันเดินเข้าไปในร้านอาหารใครชอบอะไรก็สั่งตามชอบนะผมว่าสักพักใหญ่ๆอาหารที่เราสั่งก็มาถึงโตะเรียบร้อยของผมนั้นเป็นปลาอินทรีสดแล่บางๆแล้วก็หั่นเป็นคำๆตำกระเทียมพริกไทยละเอียดคลุกกับปลาแล้วก็ผัดให้สุกโดยไม่ต้องใส่อะไรอีกจิ้มน้ำจิ้มกินกับเหล้าเรือโทวีระบอกว่าอร่อยถึงใจดีจริงๆ ผู้หญิงเขามีอาหารที่กินกับข้าวไม่เหมือนเราที่เป็นอาหารที่กินกับเหล้าพอเสร็จอาหารแล้วก็เดินออกดูอะไรต่ออะไรตามเรื่องธรรมดาของชายหาดก็จะมีหญิงไทยแต่งชุดอาบน้ำนอนผึ่งแดดบนหาดทรายมีฝรั่งแท้ๆนอนคุยอยู่ใกล้ๆเป็นชายหนุ่มผมเพียงชำเลืองมองกลัวเขาจะว่าอิตาแก่เนี่ยอยากทำอะไรนั้นบ้างไม่เอาแน่ลรผมเนี่ยแม่คนไทยคนนั้นแกพูดไทยไม่ค่อยจะได้ซะแล้วคุยภาษาฝรั่งดังลั่น เที่ยวกันสักพักนึงก็บึ่งรถตรงไปที่สัตหีบเลยแวะตลาดซื้ออาหารจะไปทํากินกันที่บ้านพักในกรมนายเรือโทวีระเกียรตินําเป็นนาวิกโยธินบ้านพักอยู่ที่อ่าวตาการตาการผู้นี้ผมเรียกแกว่าปู่กันผู้เป็นเจ้าของเดิมของกองทัพทหารเรือสัตหีบเมื่อที่เป็นของทหารแล้วปู่กันก็ย้ายตัวเองไปอยู่ที่ตลาดผมเคยรู้จักกับแกดีเมื่อแกยงังมีชีวิต เป็นคนแก่ที่แข็งแรงอย่างแปลกประหลาดหนุ่มๆทำอะไรแกไม่ได้ประวัติเดิมแกเคยเป็นกัปตันเรือสลัดชนิดเรือใบและมีความรู้ทางเรือและทะเลในย่านนั้นดีที่สุดได้เลิกประพฤติตัวที่เป็นอยู่โดยการขอร้องของสมเด็จกร ม, มหลวงชุมพรยอดนักเลงไทยผู้ทรงเป็นบิดาแห่งกองทัพเรือไทยปู่กันได้ยกที่ทั้งหมดของแกให้กับทางทหารเรือ สมเด็จกรมมาหลวงชุมพรได้ทูลขอความผิดเก่าๆกับพระเจ้าอยู่หัวให้ปลดปล่อยโทษทั้งหลายโดยมีความชอบมากมายหลายประการเป็นผู้บอกตำแหน่งแห่งกรมกองจะดีจะเหมาะแก่การซ่อนตาเรือของข่าศึกจะเข้ามาและทางร่องน้ำตรงไหนลึกตื้นตามหมู่เกาะทั้งหลายกับตันเรือใบย่อมยากยิ่งกว่าเรือมีเครื่อง ผมลงจากเรือนพักนายทหารแล้วก็ไปนอนเล่นที่พื้นทรายมองดูอ่าวที่กว้างนั้นอย่างสบายใจด้านขวาเป็นทิวเขาที่ยื่นออกไปไกลจนเป็นอ่าวแผ่นดินแล้วก็เขาที่แหลมออกไปนี้ยังมีสัตว์อาศัยอยู่อีกมากมายมีทั้งสัตว์ร้ายแล้วก็ไม่ร้ายทางทหารปล่อยมันไว้โดยไม่รู้กรานอะไรมันหาดแดงหรือว่าผาแดงนั้นอยู่ที่ภูเขาด้านนั้นผมเองก็เคยไปปลูกเต็นท์พักตกปลากับเพื่อนทหารรุ่นเก่า ตรงที่ว่านี้ถ้าไปหน้าฝนเนี่ยไปเที่ยวไม่ค่อยดีไม่รู้ว่าตรงนั้นมีแร่อะไรฟ้าผ่าบ่อยมากอย่างผิดธรรมดาด้านซ้ายของอ่าวนี่ก็มีแผ่นดินแหลมออกไปเช่นกันตรงกลางอ่าวมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลางพอดีเวลาน้ําลงมากๆจะเดินตามหาดลงไปถึงเกาะนั้นได้ หลับตานึกถึงภาพของปู่กันเมื่อสมัยโน้นก็จะเห็นเรือใบใหญ่วิ่งเข้ามาเกยหาดผลสลัดจะขนของที่ได้จากเรือเดินทะเลของจีนขึ้นที่หาดนี้มันก็เป็นความฝันชนิดจินตนาการของผมเองผมว่าแผ่นดินของนาวิกโยธินนั้นใต้พื้นดินจะต้องมีศพชาวจีนอยู่มากเพราะว่าการแย่งชิงสินค้าต้องมีการรบราค่าฟันกันเป็นจานวนมาก ฝ่ายชายตายก็ปล่อยลงทะเลให้ปลาฉลามกินฝ่ายหญิงก็เอาติดเรือมาไว้ที่อ่าวนี้เอาไปทำเป็นคนใช้บ้างทำเมียบ้างตามเรื่องแต่ว่าหญิงจีนสมัยเก่าโน้นใครๆก็รู้ว่าจะอยู่กับใครไม่นานนักทําให้สมัครใจมักจะกลั้นใจตายฉะนั้นศพก็จะต้องฝังดินกันที่นั่นนั่นเองรู้ข่าวว่าเมื่อทำการก่อสร้างอาคารต่างๆเมื่อขุดดินลงไปก็พบหัวกะโหลกคนอยู่มากมาย เมื่อคิดมาถึงตอนนี้ก็ต้องเลิกฝันเพราะว่าศพเหล่านั้นจะต้องเป็นหญิงจีนเมื่อสามีตายในที่ปราชญ์บาลตัวเองต้องตกเป็นฆ่ากลั้นใจตายไปก็คงมีใจเจ็บแค้นอยู่บ้างถ้าคิดมากไปประเดี๋ยวกลางคืนจะเดินเล่ น, ลนบ้างไม่ไหวอีกกลัวว่าแม่พวกปีศาจเหล่านั้นจะร้องทักเอาว่าคือตีก่ออาเฮียโอยผมก็ต้องวิ่งกันแนบไปเท่านั้น ตกกลางคืนกินข้าวกินปลาแล้วก็คุยกันอย่างสนุกสนานอยู่บนบ้านผมเล่าเรื่องเก่าๆที่รู้มาว่าพื้นแผ่นดินแถวนั้นแต่ก่อนโน้นมีการตายซับตายซ้อนอยู่ทีเดียวหลักฐานตามที่บอกเล่าของนายช่างก่อสร้างอาคารบอกว่าขุดดินลงไปก็พบหัวกระโหลกแล้วก็กระดูกคนมากมายแต่ทําไมละ่ะพวกเหล่านั้นจึงไม่ขึ้นมาหลอกหลอนพวกเราทั้งหลายที่กําลังอาศัยอยู่โดยประจําและทางพวกที่มาเที่ยวทั้งนี้ก็เห็นได้ว่าทุระ ไม่ใช่ของปีศาจเหล่านั้นวิญญาณเขาจะมายุ่งเหยิงอะไรกับคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาต่างคนก็ต่างอยู่กันไปพวกเขาก็ล้มตายกันมานานแล้วพวกที่มาหลังๆนี้หารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของเขาไม่จึงใช่ที่จะมาทําการรังควานให้เสียเวลาไม่เกิดประโยชน์อันใดก็เช่นเดียวกันกับผมและเพื่อนที่ไปเล่นกระดูกที่บ้านบางละมุง วิญญาณของเขาเหล่านั้นก็เล็งเห็นแล้วว่าพวกเราทำลงไปเพราะความเมามมา้ด้วยริดสุราและเข้าใจผิดถ้าไม่เมาสุราก็คงไม่เล่นกันดังนั้นเพราะไม่มีทางดีอะไรจะชวนให้เล่นเปิดโกดกระดูกใครซึ่งไม่ใช่ญาติตัวมาเล่นทั้งหน้ากลัวในหน้ารังเกียจตความเมาเหล้าและอยากจะเห็นข้อเท็จจริงตามที่มีคนลือกันว่าลงเอากระดูกใครต่อใครมาปนกันเป็นต้องได้ฟังการทะเลาะกันของวิญญาณนั้นๆอย่างวุ่นวาย เราทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งความจริงก็ไม่ได้เกิดจากการดูหมิ่นดูแคลนต่อวิญญาณเหล่านั้นฉะนั้นวิญญาณทั้งหมดจึงไม่สัแดงอะไรออกมาเป็นการโกรธเคืองเพียงแต่เขาไปเข้าฝันต่อว่าต่อขานญาติผู้รักษาบ้านนั้นทำนองน้อยใจว่าเอากระดูกของเขาไปทอดทิ้งโดยไม่เก็บไว้ให้ดีเป็นเหตุให้ผู้มาเที่ยวพักอาศัยเล่นกระดูกเขา การที่ผมถูกตำรวจจับเรื่องพกปืนอาจจะเป็นวิญญาณเหล่านั้นเล่นแกล้งแก้ลำ้ทำทํานองหยอกล้อก็ได้หรือจะมิใช่ก็ได้หากเป็นไปโดยบังเอิญมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อผมอายุรุ่นรุ่นอยู่ที่บ้านตลาดแก้วตลาดขวัญในสมัยนั้นเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นที่บางเกาะรายหนึ่งในวัดสุทัศน์นั่นเองคือหญิงคนหนึ่งไปติดต่อกับพระหนุ่มองค์หนึ่งเกิดยังไงก็ไม่ทราบพระองค์นั้นได้ฆ่าผู้หญิงคนนั้นตายที่กุฏิและก็เลยตัดศพเป็นท่อนๆใส่หีบเหล็ก ซึ่งในสมัยนั้นนิยมใส่ของมีราคาเพราะว่ามันแข็งแรงดีพระได้นําหีบศพไปทิ้งตรงน้ําหน้าวัดไซม้าตรงข้ามกับบ้านผมโดยเป็นความลับแต่ลงท้ายตํารวจก็คลายความลับได้งมศพขึ้นมาและก็จับตัวพระองค์นั้นได้เพื่อนๆกับผมผู้ใหญ่บางคนชวนผมเอาเรือไปภายเล่นที่หน้าวัดนั้นเพื่อจะลองดีปีศาจแม่คนนั้นดูว่าจะมีฤทธิ์มีเดชบ้างไหมผมบอกว่าไม่เล่นทันที การไม่เอาด้วยของผมเนี่ยเกิดจากความกลัวเกรงปีศาจนั่นเองคิดแล้วว่าไม่ได้ประโยชน์อันใดจะเล่นสิ่งไม่ควรเล่นดีไม่ดีปีศาจจะขนองริดลำบากกันทั่วไปแต่ว่าบางคนนั้นผมเคยพบเขาพูดว่าเขาไม่กลัวผีเพราะว่าผีไม่มีในโลกตำรับตำราที่ร่ำเรียนมาก็บอกว่าผีไม่มี เป็นแต่ความเชื่อในทางเหลวไหลก็เลยเกิดถกเถียงกันขึ้นจนถึงกับท้าพนันกันไปที่สุสานแต่ฝ่ายว่าผีไม่มีในโลกไม่ยอมไปทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่เชื่อนะว่าผีมีจริงเรื่องผีมีไม่มีก็เลยกลายเป็นปัญหาเพราะไม่มีใครพิสูจน์ให้แน่นอนต่างคนต่างพูดต่างคนต่างให้เหตุผลกันไปคนละทิศคนละทางไม่ลงรอยกันสักอะไรแต่ผมนะ่ะจะเชื่อก็ไม่แน่จะไม่เชื่อก็ไม่แน่เพราะว่ายังกลิ่งใจอยู่ว่าสิ่งใดก็ตาม ถ้าไม่มีเขามาเลยจะเอาที่ไหนมาพูดกันจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าคนรุ่นหลังๆก็เต็มไปด้วยความเฉลียวฉลาดร่ําเรียนกันมากแต่ก็ยังพูดกันอยู่ติดปากถึงที่มืดที่เงียบแล้วก็น่ากลัวหรือจะกลัวความมืดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าอยู่กันมากๆมืดเท่าไหร่ก็ไม่กลัวมันมักจะเกิดมาจากปากที่ไม่ค่อยตรงกับใจมีความกลัวแต่บอกว่าไม่กลัวหลอกตัวเองทําไมรับปากว่ากลัวซะรู้แล้วรู้รอดไปใครจะมาทําไมเรา และก็ไม่ได้กลัวเพราะว่าเชื่อว่ามีจริงแต่กลัวเพราะว่ามันเป็นความลับอยู่จนถึงบัดนี้